273ความเป็นกุศลกับความเป็นบุญต้องรู้ให้ถูกแท้ภาวะกุศลหรือบุญก็ต้องรู้ให้ถูกต้องและต้องทำให้ถูกแท้กันจริงๆจึงจะอยู่อย่างจเจริญถูกต้องเช่นอาชีพซึ่งเป็นกรรมหรือการกระทำเพื่อเลี้ยงชีพ เพื่ อ, อยังชีพนั่นเองทุกคนต้องมีอาชีพต้องเลี้ยงตนด้วยการกระทมคือกรรมอยู่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งกรรมที่เป็นการงานอาชีพอันมิชฉาไว้ถึงหข้อซึ่งล้วนยังเป็นมิชไาชีพอยู่ทั้งหข้อกุหนาลัปปนาเนมิตตกตา นิเปสิกตาลาเพนลาพังนิชิคิงสนตาซึ่งต้องปฏิบัติให้หยุดอาการกิริยาของอาชีพตั้งแต่อาการกิริยาภายนอกไปถึงภายในให้เจริญตามลำดับแต่ละขั้นขั้นต่ำหยาบสองข้อต้นคือกูหานาโกง กับลปนาการหลอกลวงหากใครไม่เลิกการกระทำนี้เลี้ยงชีพเป็นขั้นต้นขืนยังกระทำการโกงเลี้ยงชีพอยู่กุหณนาะหรือขืนยังกระทำการหลอกลวงอยู่ลปนาก็ยังสะสมบาปอยู่ทุกกิริยาของกรรมอยู่นั่นแหละจึงมีแต่บาปเป็นสมบัติไม่มีจบ หากใครไม่มีกรรมการกระทำงานภายนอกกับมิจฉาชีพได้ก็เป็นกุศลคือคุณพ้นบาปทางกายกับวาจาแต่ยังไม่ได้บุญเพราะใจของคนผู้พ้นแค่กายกับวาจายังมีกิเลสอยู่ถ้าหากทางกายกับวาจาก็ไม่ทำได้แล้ว ทางใจก็สามารถชำรักกิเลสภายในใจไปได้ด้วยการชำรักกิเลสได้จึงจะเป็นบุญนี้คืออัติทินังทานที่ให้แล้วมีผลและอัติยิฐถังปฏิบัติธรรมตามวิธีนั้นได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มส4บสี่ ข้อ256หคือสัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะอยู่เพียงแต่เราสัมมาทิทฐิแล้วและถ้าปฏิบัติลดลากิเลสได้ไปตามลำดับก็เป็นส่วนแห่งบุญปุญญภาคิยาปุญญภาคให้ผลแก่ขันอุปธิเวปากา ส่วนบุญปุญญภาคบางส่วนที่ชำระกิเลสออกไปได้บ้างก็ให้ผลแก่ขันอุปธิเวปักกาไปตามลำดับจนกว่าจะสามารถชำแรกกิเลสนั้นนั้นได้หมดไปสิ้นจากใจกระทงมีปัญญาปัญญิีสีปัญญาภะ รรมวิจัยสัมโพธชงสา ม, มาทิฐิมักคังคังจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรจเรนอริยมรอยู่สา ม, มาทิฐินี้จึงจะเป็นอนาสวะตามพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258ในมหาจัตตารีสกสูตร